แต่ปัใจจะขยับไปปรับองเราก็รู้ทันนะไม่ปรับองครับแต่ไม่ไม่ใช่ฝึกมาให้ดูนะครับไม่ดูมันก็เหมือนชาวบ้านธรรมดาคนทื่วทั่วไปคือถ้าไม่เคยดูกายดูใจตัวเองนี่นักปฏิบัติชอบไปเพ่งกายเพ่งใจจิตตรงนี้ครับนี่เราเรียนรู้สภาวะของการเพ่งกับการไม่เพ่งได้แล้วเราก็มารู้กายรู้ใจแบบไม่เพ่งตอนนี้กลับไปเพ่งแล้วทราบไหมจะไปกดเอาไว้ ครับเนี่ยน่ไงโหจริงๆโอ๋ก็คล้ายๆชมพูขคุะหพ่อรู้สึกว่าหมู่นี้จิตจะแบบว่าพุ่งไปตีกับคนอื่นองนี้ค่ะเหมือนว่ามันมันดิ้นออกไปแบบแรงมากเลยเนี้ยค่ะแต่ว่าจะถามหลวงพ่ อ, อยางนึงนะคะรู้สึกหมู่นี้โอจะมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเฉพาะช่วงที่เหมือนโอ๋อยู่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 มันถูกหรือผิดเราเข้าไปลงไปในช่องไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราอย่าไปประคองไว้ก็แล้วกันอย่าไปแกล้งทํำใจให้เบาๆมันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นเราฝึกไปเรื่อยคนทั่วๆวไปนะภาวนาไปช่วงหนึ่งมันจะเห็นในโลกข้างนอกยุ่งข้างในนิ่งๆมัมีความนิ่งอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายไม่มีความนิ่งความสงบอยู่ท่ามกลางความวาาุ่นวายข้างนอกวุ่นวายข้างในนิ่งๆนนี่ก็ยังไม่ผิดอะไร แต่ถ้ายินดีพอใจในความนิ่งตัวนี้ตัวนี้ส้างละเะฉนั้นใจของเราก็จะนิ่งสบายเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างสบายๆไม่เป็นปัญหาอะไรเั้นดูที่ใจเราใจเราชอบตรงนี้เมื่อไหร่เราก็ผิดเมื่อนั้นะถ้าชอบนะจะถดถอยละหนีหนีเข้ามาอยู่ข้างใ น, นแต่ของโอยังไม่หนีเท่าของเอนะเอหนีเยอะแต่ว่าชมพูก็ยังหนีเยอะกว่าโอ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 เราสบายกยี้ส่วนมากพนานาไปแล้วพอใจพอใจตัวนี้เริ่มมีปัญหาแล้วจะติดต่อไปวันไหนหลุดจากตรงนี้นะก็จะโมโหละวี้ก็ไม่หนีรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องแก้วันนี้ก็มีโมหะบ้างแต่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่มาค่ะสึกสบายขึ้นนะเบอร์หกอ่ะเบอร์หกอ่ะ เลขเบอร์เก้าเบอร์เก้าทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี้<ม>เออตับถูกเ 1, มื่อหนึ่งเมื่อกี้ทำอะไรไปดูเข้าเลอกตัวเองเนื้อออกไห ม, มเนี่ยฝึกเปอย่างนี้นะฝึกดูจัดของจริงๆจิตใจเราชอบทํางานเป็นขนาดขนาดซึ่งเกณฑ์เมต่กี้เหมื่อไม่ได้เพ่งตอนนี้เพ่งละเพระนสิ่งที่ผิดมีสองอันนะเผลอไปเหมื่อไปกับเพ่งเอาไว้มีสองอันถ้าไม่เผลอไม่เพ่งใจก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมารู้สบายสบาย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 คิดนึกปรงแต่งตลอดเวลาถ้าเป็นมนุษย์ธรรมดาตายไปแล้วใจหนีไปคิดทราบไหมอนีไปคิดรู้ว่าคิดเพ่งไว้แล้วทราบไหมดูตรงนี้นะให้รู้ทันเดือดเืรู้ลงปัจจุบันไปนะดีละใช้ได้มันที่ไหนมาทาง น, านี้แถวกระโดดข้ามข้ามอ๋อเมื่อกี้ยังมาไม่ครบกันแถวเลยโบส่งกันบ้านยังส่งกันบ้านคนนี้กลัวแล้วรู้สึกไหม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 เพื่อรู้สึกว่าโอทําไมเราถึงแบบร้ายกว่าที่นึก <c oughs> ทำไมกิเลสมันถึงมีอํานาจมากขนาดนี้เรา<ด>ีีาท่เห็นรู้สึกค น, น <ะ S 2> ทั้งโลกนะถูกกิเลสปั่นหัวอยู่ไม่เคยเห็นเลย <c oughs> กระทั่งไปภาวนานะก็ภาวานาเพราะกิเลสสอนภาวน า, าก็กพยายามกํกาหนาพดพยายามบังคับตัวเองไปงได้่อยเลยพอบังคับได้ภูมิใจนะชันเก่งชันเก่งนะตอนนี้ไม่ได้แล้วแต่ถ้าภาวนาเป็นยังรู้สึกเลยไม่เก่งเลยถูกกิเลสต้อนทั้งวัน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 เวลาปั๊มยาฝุ่นมันดันคนนี้มันช่างพูดนะอ้าพูดไปให้พูดนิดเดียวค่ะคือนูคือช่วงนี้หนูอึดอัดมากๆไม่ไม่ก็เพียงแบบตรงทีก็แบบไม่ปฏิบัติเลยค่ะลอยๆไปเลยแต่ก็มันก็ยังอึดอัดอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่มันมันแกล้งไม่ปฏิบัติจริงๆมันยังปฏิบัติอยู่การปฏิบัตินะคำว่าปฏิบัติเนี่ยเหมือนผีหลอกหลอนเราภาษาไทยปฏิบัติแปลว่าทําภาษาบาลีปฏิบัติ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 อากูสนเกิดหาทางละกูศนเกิดหาทางรักษานี่แทรกแซงทั้งสิ้นเราต้องการให้เห็นว่าทุกอย่างนไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เพื่อจะบังคับเพื่อจะเอาให้ได้การปฏิบัติเนี่ยถ้าปฏิบัติเพื่อจะเอานะยากนะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ยากเท่าไหร่หรอกดูบ่อยๆก็เห็นเองเนี่ส่วนใหญ่ชอบบังคับชอบกําหนดชอบเพ่งนะกําหนดไปเรื่อย หวังว่าวันหนึ่งจะดีคาดหวังว่าวันหนึ่งจะดีจริงๆนีแหละหวังอยากได้อยากได้ไดที่เราภาวนาแทบเป็นแทบตายนะเพราะอะไรอยากดีอยากสุขอยากสงบถามว่ามีใครอยากรู้ความจริงไหมไม่มีแต่ภาวนาเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบพยายามแทรกแซงพยายามควบคุมพยายามบังคับหลงไปคิดร้ำไหมจิตหลงไปจิตไหลไปไม่ค่อยทันเท่าไหรค่ค่ะไม่ต้องทันแต่หลวงพ่อ บ, บอกเรารู้ไหม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 ไห้รู้อย่างที่เขาเป็นถ้าเขาบล็อกเขาบล็อกของเขาเองไม่เป็นไรถ้าครอบล็อกของเขาเองเราก็เห็นความจริงว่าจิตไม่ใช่เราหรอกมันบล็อกได้เองเ อ, อมันไม่มันเหมือนตัวอัตโนมัติแบบพอเราเอิ๊ดเหมือนกับเอิ๊ดบ็อกในใจแบบตั้งหลักตั้งตั้งหลักสู้ใช่ครับเพราะมันจะเป็นบ่อยๆตอนนั้นเ ร, เ, รเราก็คิดว่ามันดีเป็นอะตโนมัติตอนหลังแล้วเราเราก็คิดว่าน่าจะปล่อยให้มันทํางานต่อ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 จิตจะภาห้ามมันไม่ได้เพราะจิตเป็นอนัตตาแต่อย่าไปช่วยมันภาคหนีไปคิดทราบไหมจิตไหลไปคิดค่ะไหลไปคิดให้รู้ทันคนโน้นเพ่งใหญ่แล้วคนที่อยู่ข้างหลังทําไมเพ่งใหญ่เลยือกลัวเลยเ อ, อ, อ๋อกล่าค่ะก็เพิ่งเพิ่งเคยมานะคะแล้วก็อยู่บ้านก็นั่งปฏิบัติเหมือนกันใจลอยไปแล้วทราบไหมใจหนีไปคิด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 มีเพ่งแล้วจบะคองค่ะเออตับตัวไม่ได้แล้วเมื่อไหร่จะเลิกพอมาถึงวันแล้วมันกลัวมันก็เลยแบบเมื่อวันหน้าพอเข้าปุ๊บก็เป็นเลยค่ะแต่โรคนี้โรคประจำวัดหลวงพ่อมองใครนะตัวแข็งหมดเลยอ้าวสารสงสังเกตไหมตอนส่งไม่ฮะเบอร์เจ็ดสิบสองลืมตัวไปละ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 เดน้นหงพ่อเขานั้นหลงหลงพ่อก็เดาเดาเอแม้คนเป็นครูนี่นะเป็นครูหลายปีนะเห็นหน้าเด็กนะรู้หน้าเด็กคนนี้สนไม่สนดื้อไม่ดื้อไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรหรอกตอนนี้ใจลอยไปแล้วรู้สึกไหมอยากพูดรู้สึกไหมไม่รู้เลยครับเลยต้องหันนะปีอยากพูดละรู้สึกไหมมันจะมีแรงปลักในหน้าอกเราเนี้ย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 ได้พาท่านรองสงครามท่านอยากยัมาพบท่านรู้จักท่านเคยเป็นลูกน้องท่านเป็นหัวหน้ากองหลวงพ่อผมไปเล่าให้ฟังไปไปไหว้พระที่อินเดียด้วยกันก็เล่าให้ท่านฟังว่ามาฟังธรรมกับท่านแล้วก็เล่าให้ท่านเล่าให้ท่านสงครามฟังก็อยากจะมาพบวันนี้ก็พามาโดยส่วนตัวปัญหาก็มีอยู่ว่า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 แล้มันก็เดินไปเดินมาได้แต่ถ้าเมื่อไรจิตของเราหลุดไปอยู่ในโลกของความคิดหรือจิตของเราไปเพ่งไปจงใจปฏิบัติไห้เราจะไม่สามารถเห็นกายเห็นใจว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างตอนนี้จิตจิตทำอะไรท่านทราบไหมจิตสลับลงไปดูออกไหมก็รู้สึกว่าพยายามอย่ารู้กายรู้ใจนั่นะนั่นแหล ะ, ะตรงนั้นแหละคือปัญหาอย่าพยายาม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 หหมหนจิตรู้วอารมณ์ได้คลั่งไล้อย่างเดียวพอไปรู้เรื่องที่ฟังไปรู้เรื่องที่คิดก็หลืดกายลืดใจะแต่ว่าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ฟังให้รู้เรื่องอะ่ะะเราฟังเนี่ยเพื่อจะหัดรู้กายรู้ใจไปเรื่อย<ป>อย่างนั่งนั่งตรงเนี้ยไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้นะไม่ต้องรู้เรื่องก็ได้แต่กายของเราเป็นยังไงเราคอยรู้สึกใจเราเป็นยงไงคอยรู้สึกอย่างฟังซีดีหลวงพ่อก็เหมือนกันนะไม่ได้ฟังเอาเรื่องนะไม่ใช่ฟังเอาเรื่องไม่ได้อ่านเอาเรื่อง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 แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ทราบว่าคําว่าผู้รู้แปลว่าอะไรผู้ตื่นผู้รู้แปลว่าอะไรผู้รู้นะนะตรงข้ามกับผู้คิดผู้ตื่นนั่นตรงข้ามกับผู้หลับผู้หลงอาการที่ปรากฏครับอะไรนะหมายถึงอาะก็ผมอยากทราบว่าอาการที่มันปรากฏกับตัวอย่างเวลายกเคยเจอไหมอย่างเวลาเราใจลอยไปตรงที่สติเราลึกได้ว่า โอ้เมื่อกี้ใจลอยไปแล้วนะมันจะมีภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นสั้นๆ น, นิดเดียวอันนี้เข้าใจครับออเนั้อแหละคือภาวะแห่งการรู้คืออันนั้นคือรู้ตัวบใช่ใช่แล้วผู้เบิกบานครับผู้เบิกบานเนี่ยถ้าเราพอเรารู้ไปเรื่อยนะจิตมันอยู่ๆเฉยๆเนี่ยแค่มีสตินะจิตจะเบิกบานขึ้นมาเองมันวัดเดียว <ๆ S 1> ใช่ไหม<ช>ครับใช่มันไม่นานนะครับไม่นานวัดหนึ่งวัดหนึ่งใช่ใช่เกิดแล้วดับทั้งสิ้นเลยถ้าอย่างนั้นเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับ ล่าอไว้คุยทีหลังก็ได้รีบไปไหนหรือเปล่ายังยังไม่รีบช่ส่งข้างใครจะคุยไหมมีไหมโอ้ส่งผ่านเร็วๆหลวงพ่อชอบมากเลยนี่หกพันร้อยละคืออยากจะทราบว่าที่พายอาจารย์บอกว่าตัวเราไม่ไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนนะคะหมายความว่ายังไงคะแตเราอย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยเรามาเรียนอย่างอื่นดีกว่า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 สงสัยแล้วรู้ไหมรู้ลงปัจจุบันได้เรื่อย ๆ, ๆอย่างเงี้ยเนี่ยหนีอีกแล้วรู้สึกไหมลองไปนับนะห้านาทีได้เป็นร้อยเลย <c oughs> ถึงบอกให้ทำห้านาทีนั่นนะไม่ต้องมากทํามากเครียดขออนุบาลครับโยมนั่งตามสบายเลยนะนั่งปัดสามาัดก็ได้นั่งกางอี ก, ก็ได้ผมค่เขาเรียนถามว่าที่พระพุทธเจ้าท่านกลับกับพระนรินท์ว่า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 และ อ, อย่างนะที่ผมอ่านตํารานะครับท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านทอสําเร็จแล้วท่านบอกว่าท่านจะไม่สอนชาวโลกหรอกเพราะว่าสิ่งที่ท่านทราบเนี่ยมันมันลึกซึ้งเหลือเกินครนี้เดือดร้อนถึงพระสหามบดีพรมต้องลงมาขอร้องให้ท่านสั่งโปรดสัตว์กับอันนี้จริงหรือเปล่าครับผมโอ้หลวพ่อเกิดไม่ทัน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 ใครจะรู้ว่าร่างกายนี้ทุกล้วนๆไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างใครจะรู้ว่าจิตนี้ทุกล้วนๆไม่ใช่ทุกบ้างสุกบ้างใครจะรู้ว่านอกจากความทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปยากสุดขีดเลยนะยากจริงๆพอใจเข้าถึงธรรมตรงนี้ปุ๊บนถอดใจเลยหันไปมองเพื่อนร่วมทุกข์ทั้งหลายนะตัวใครตัวมันดีกว่าไม่รู้จะพูดยังไงแต่เสร็จแล้วก็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 รอดตายรอดบ้ามันได้โว้มันน่า ก, กลัวคือในคำพีเราพูดถึงว่าพระพุทธเจ้านะนั่งลงไปแล้วนั่งบนรัตนะบันหลังเรียกรัตนบันหลังหมายถึงว่าจะนั่งสู้ตายตรงนี้ไม่ถอยล้วพอจิตตั้งมั่นลงไปว่าสู้ตายไม่ถอยล้วกิเลสจะมาเป็นกองทัพเลยมารจะเริ่มพัชน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 อยู่ต่อมาเนี่ยสมมติ ว, ว่ารอดตายมันได้ไม่รอดมาได้ก็บ้าเลยจะรู้สึกอย่างนั้นะ่ะเราจะกล้าสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหมดนั้นได้ไหมถ้ากล้าสละได้นะนี่เรียกว่าเนคขับมะบ า, ารมนะีมีปัญญาที่จะรู้สภาวธรรมทั้งหลายตามความเป็นจริงไหมนี่เป็นปัญญาบารมนะีนี่บารมีทั้งหลายนี่แหละเอามาใช้ในนาทีวิกฤตินี่ไม่มีใครจะเป็นเพื่อนเราได้เลยนะ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 ต้องไปสู้ตายกันถึงจุดนั้นมันจะรู้สึกถอยหรือไม่ถอยดีถ้าถอยนะตกเป็นทาตของมา น, นี้ต่อไปแต่ก็มีชีวิตอย่างมีความสุขมากกว่าคนทั้งโลกแล้วมีความรู้สึกเหมือนว่าถ้าถอยก็เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมีความสุขกว่าคนทั้งโลกแล้วถ้าสู้ต่อไปโอกาสรอดนี่ไม่เห็นเลยมันถึงจุดนี้นะถึงหลังชนกาแพงเนะ่ยไม่มีโอกาสรอดเลยมีแต่หนีหรือไม่ก็ตาย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 เหลือระดับพันแล้วนะที่จิตตื่นขึ้นมาได้ที่จะเข้าถึงมรรคถึงผลจริงๆมีเป็นระดับร้อยเท่า น, นั้นเองงันต้องสู้นะต้องสู้อาวันนี้ได้แค่นี้เชิญโยมกลับบ้านไปเดี๋ยวขอคุยกับท่านรองตรงกลางลุงนนองหน่อยลุงน้องเปลี่ยนชื่ อ, อยางไม่เปลี่ยนนะสู้ตายนนองบุญนิม